3. ปัญหาปุจฉะ482โพชทชงเจ็คือ 1. สติสัมโพชงสองธรรมวิจยะสัมโพชงสามวิริยะสัมโพชงสี่ ป, ปีติสัมโพชงห้าปัจสัตถีสัมโพชงหกสมาธิสัมโพชงเจ็ดอุเบกขาสัมโพชงติกะมาติกาปุจฉา ทุกกมาติกาปุจฉา483บรรดาพ่อชงเจ็โพ่อชงเท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอภพยากิตเท่าไรเป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้เท่าไรไม่เป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้ 1. ติกะมาติกาวิสัชนา 1-22 กุศลติกาที่วิสัชนา4ี่ร้ พ่ชงเจ็ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอัพยากริตก็มีปีติสัมพ่อชงสัมพยุด้วยสุขเวทนาพ่อชงเจ็ดที่สัมพยุดด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมพยุดด้วยอทุกขมะสุขเวทนาก็มีพ่อชงเจ็ดที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีพ่ชงเจ็กรรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ และไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานโพชฌงเจดกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสโพชฌงเจดที่มีทั้งวิตกและวิจาร์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจาร์ก็มีปีติสัมโพชฌงไม่สหรคตด้วยปีติแต่สหรคตด้วยสุขไม่สหรคตด้วยอุเบกขาโพชฌงห ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีโพษชงเจตไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเปื้องบนสาโพชชงเจตไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเปื้องบนสาโพชชงเจตที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติ และนิพพานก็มีโพชงเจดที่เป็นของเสขบุคลก็มีที่เป็นของอัศเสขบุคคลก็มีโพชงเจดเป็นอัปปมะนะโพชงเจดมีอัปปามานะเป็นอารมณ์โพชงเจดเป็นชั้นประนีโพชงเจดที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีโพชงเจดไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์ พจนชงเจ็ดที่มีมักเป็นเหตุก็มีที่มีมักเป็นอธิบดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมักเป็นเหตุหรือมีมักเป็นอธิบดีก็มีพจนชงเจ็ดที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จักเกิดขึ้นแน่นอนก็มีพจนชงเจ็ดที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีพจนชงเจ็ด กล่าวไม่ได้ว่ามีอดีตธรรมเป็นอารมณ์มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์หรือปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์พจนชงเจตที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีพชนชงเจตมีธรรมเป็นภายนอกตนเป็นอารมณ์พจนชงเจตเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ 2. ทุกกะมาติกาวิสัชนา 1. เหตุโคจัชกาวิสัชนา485ธรรมวิจยตรสำโพธชงเป็นเหตุโพชชงหสัมปยุทธ์ได้เหตุธรรมวิจยตรสำโพธชงเป็นเหตุและมีเหตุโพชชงห ก, กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุ ธรรมวิจิยสมโพธชงเป็นเหตุและสัมปยุตได้เหตุโพชชงหกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุตได้วยเหตุหรือสัมปยุตได้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุโพชชงหไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุธรรมวิจิยสัมโพธชงกล่าวไม่ได้ว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุหรือไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุ 2. จุรันตระทุกกวิสัชนาโพธชงเจ็ มีปัจจัยปรุงแต่งโพชงเจตถูกปัจจัยปรุงแต่งโพชงเจตเห็นไม่ได้โพชฌงเจตกระทบไม่ได้โพชงเจตไม่เป็นรูปโพชงเจตเป็นโลกุตระโพชงเจตจิตบางดวงรู้ได้โพชงเจตจิตบางดวงรู้ไม่ได้ 3. อามสวาโคจัชกาวิจชนาโพชงเจตไม่เป็นอาสวะ พ่อชงเจตไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะพ่อชงเจตวิปยุตจากอาสวะโพชอชงเจตกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะหรือเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะพ่อชงเจตกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะหรือสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะ พ่องเจ็วิประยุทธ์จากอาสะวะพ่อชงเจ็ดไม่เป็นอารมณ์ของอาสะวะ4ถึง9สัญโยชนะโคจัชากาทีวิสัชนะพ่อชงเจ็ดไม่เป็นสังโยตไม่เป็นคันทะไม่เป็นโอคะไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวรไม่เป็นปรามาสิบถึงสิสงมหันตระ ทุกกาทีวิสัชนาะโพษชงเจตรับรู้อารมณ์ได้โพษชงเจตไม่เป็นจิตโพษชงเจตเป็นเจตสิกโทษชงเจตสัมปยุทธยจิตโพษชงเจตประคนกับจิตโพษชงเจตมีจิตเป็นสมุดฐานโพษชงเจตเกิดพร้อมกับจิตโพษชงเจตเป็นไปาตามจิตโพษชงเจตประคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุดฐาน พหุชงเจตระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเกิดพร้อมกับจิตโพหุชงเจตระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเป็นไปตามจิตโพหุชงเจตเป็นภายนอกโพหุชงเจตไม่เป็นอุปาทายรูปพหุชงเจตการมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือพหุชงเจตไม่เป็นอุปาทานไม่เป็นกิเลส 13. ปิฏฐิทุกกับวิสัชนาโพษชงเจตไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรักโพษชงเจตไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสโพษชงเจตไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมรักโพษชงเจตไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเปื้องบนสโพษชงเจตที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีโพษชงเจต ที่มีวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิจารณ์ก็มีปีติ 3, สัมโพชงไม่มีปีติโพชงหกที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีปีติสัมโพช ง, พชงไม่สหรคตด้วยปีติโพชงหกที่สหรคตรด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีปีติสัมโพชงสรคตด้วยสุขโพชงหก ที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มีปีติสามพจง์ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาโพจน์ชงหที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีโพจนชงเจ็ดไม่เป็นกามาวจรโพจนชงเจ็ดไม่เป็นรูปาวจรโพจนชงเจ็ดไม่เป็นอรูปาวจร โทษชงเจตไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกขโพษชงเจตที่เป็นเหตุนําออกจากวัฏฏทุกข์ก็มีที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัฏฏทุกข์ก็มีโทษชงเจตที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีโทษชงเจตไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าโทษชงเจตไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ปัญหาปุจฉกะจบ โทดชังขวิพังจบบริบูรณ์สิบเอ็ดมขวิพังหนึ่งสุดตันตภาชนีอริยมรรคมีองค์แปดในที่หนึ่งสีร้อยแปดสิบกอริยมรรคมีองค์แปดคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิเห็นชอบ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 487. ่รดบรรดาอริมักมีองค์แเหล่านั้นสัมมาทิฏฐิเป็นไฉนความรู้ในทุกความรู้ในทุกขสมุทยัยความรู้ในทุกขคนินโรธความรู้ในทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทานีเบิกวัาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นไฉนความดำริในการออกจากกามความดำริในการไม่พยาบาท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 ไม่เรือนหายพิโยภาพภัยบู์เจริญเต็มที่แห่งกุตุลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วนี้เรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นฉะไหนพิกจุในธรรมวินัยนี้หนึ่งพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนต์ในโลกได้ สพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 3. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้4พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้นี้เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นฉไฉนพิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปธรรมฌานที่มีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่พระวิตกวิจารสงบประงับไปแล้ว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 มีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนบรรลุเจตุทชาญที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุ ข, ม, สขมีสติบริสุทธิ์พระอุเบกขาอยู่นี้เรียกว่าสัมมาสมาธิอริมักมีองค์8 488รอยริยมักมีองค์8คือหนึ่งสมาธิทิ สสัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมาการมันตะ 5. สัมมาชีวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติ 8. สัมมาสมาธิ 489. บรรดาอริยมรรคมีองค์แปดนั้นสมาธิฏิเป็นฉไนพิจุเนธรรมีในนี้จเจริญสมาธิฏฐิที่อาศัยวิเวกวิราคะและนิโรธ น้อมไปเพื่อความปล่อยวางเจริญสัมมาสังคัปปะเจริญสัมมาวาจาเจริญสัมมากรรมตะเจริญสัมมาชีวะเจริญสัมมาวายามะเจริญสัมมาสติเจริญสัมมาสมาธิที่อาศัยวิเวกวิราคะและอิโรดน้อมไปเพื่อความปล่อยวางสุตันตภาชนีจบ 2. อภิธรรมภาชนี 490. มักมีองค์8คือ 1. สัมมาทิฐิเป็นต้นละ 8. สัมมาส ม, มาธิ 491. บดรรดาสภาวะธรรมเหล่านั้นมักมีองค์8เป็นฉนภิกษุในธรรมในนี้จเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้น สงัดจากกามบรลุปธรรมชาญที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นมักมีองค์แปดคือสัมมาทิฐิเป็นต้นละสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้น492บรรดามักมีองค์แปดเหล่านั้นสัมมาทิฐิเป็นฉนะไหนปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรมสมาทิฏฐิธรรมวิจิตรสัมโพชงอันเป็นองค์มรคนับเนื่องในมรคนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นฉไฉไนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดำริความที่จิตแนบแน่ในอารมณ์ความที่จิตแนบสนิทในอารมณ์ความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์สัมมาสังกัปปะ อันเป็นองค์มร์นับเนื่องในมร์นี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเป็นฉไฉไรความงดความเว้นความเว้นขาดเจตนาเป็นเหตุเว้นจากวจีทุจริตสี่การไม่ทาการเลิกทาการไม่ร่วงละเมิดการไม่ล้ำเขตการกําจัดต้นเหตุแห่งวจีทุจริตสี่ สัมมาวาจาอันเป็นองค์มรรคนับหนึ่งในมรรคนี้เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากรมมันตะเป็นฉไหนความงดความเว้นความเว้นขาดเจตนาเป็นเหตุเว้นจากกายยทุจริตสาการไม่ทำการเลิกทำการไม่ล่วงละเมิดการไม่ล้ำเขตการกําจัดต้นเหตุแห่งกายยทุจริตสามสัมมากรรมตะ อันเป็นอง์มัคนับเนื่องในมัคนี้เรียกว่าสัมมากรัมรมันตัตส ม, มาอาชีวะเป็นฉไฉไรความงดความเว้นความเว้นขาดเจตนาเป็นเหตุเว้นจากมิจฉาอาชีวะการไม่ทําการเลิกทําการไม่ร่วงละเมิดการไม่ล้ําเขตการกําจัดต้นเหตุแห่งมิจฉาอาชีวะสัมมาอาชีวะอันเป็นองค์มัคนับเนื่องในมัค นี้เรียกว่าสัมมาชีวะสัมมาวายมะเป็นไนการปรารกความเพียรทางใจสัมมาวายมะวิริยสัมโพธชงันเป็นองคมัชนับเนื่องในมักนี้เรียกว่าสัมมาวายมะสัมมาสติเป็นไนสติความตามระลึกสัมมาสติสติสัมโพธชงอันเป็นองคมัชนับเนื่องในมัช นี้เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นไนความตั้งอยู่แห่งจิตสัมมาสมาธิส ม, มาธิสัมโพธิชงอันเป็นองค์มรักนับเนื่องในมรักนี้เรียกว่าสัมมาสมาธินี้เรียกว่ามรักมีองค์8สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยมรักมีองค์8ปัญจังคิกกวาน เอกโตปุตฉาวิสัชนาใน493มักมีองค์ห้าคือ 1. สัมมาทิฐิ 2. สัมมาสังกปะ 3. สัมมาวายามะ 4. สัมมาสติ 5. สมาสมาธิ494บรรดาสภาวธรรมเหล่านั้นมักมีองค์ห้าเป็นไน ภิกษุในธรรมินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระจึงเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องตน้นสงัดจากกามบรุปธรรมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นมักมีองค์หคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้น 495บรรดามรมีองค์ห้านั้นสมาทิฏฐิเป็นไฉนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงม ง, ง, งายความเลือกเฟ้นธรรมสมาทิฏฐิธรรมวิจยตรสำโพธชงอันเป็นองค์มรตินับเนื่องในมรตินี้เรียกว่าสัมาทิฏฐิสัมมาสังคปะเป็นไฉนความตรึกความตรึกโดยอาการต่างๆความดําริอันเป็นองค์มรติ นับเนื่องในมัคนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะเป็นไนการปรารบความเพียรทางใจสัมมาวายมะวิริยสัมโพชฌงอันเป็นองค์มัคนับเนื่องในมัคนี้เรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นไนสติความตามระลึกสัมมาสติสติสัมโพชฌง อันเป็นองค์มร์นับเนื่องในมร์นี้เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นไฉไรความตั้งอยู่แห่งจิตสัมมาสมาธิสมาธิสมโพธชงอันเป็นองค์มร์นับเนื่องในมร์นี้เรียกว่าสัมมาสมาธินี้เรียกว่ามร์มีองห้าสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยมร์มีองห้า ปฏิเยกปุชาวิสัชนาใน496รักมีองค์ห้าคือ1สัมมาทิฏฐิ2สมาสังกัปปะ3สัมมาวายามะ4สมาสติ5สมาสมาธิ497บดรรดามักมีองค์ห้าเหล่านั้นสมาทิฐิเป็นไฉไริกษุในธรรมินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตถุ ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงัด จ, จากกรมบรุปธรรมชาญที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นปัญญากริยาทยี่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิธรรมะวิจยตสัมโพธชงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสัมมาทิฐิ สภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสัมมาทิฏฐิสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสัมมาสังกัปปะสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสัมมาวายมะสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นไฉนภิกจุในธรรมินัยนี้จเจริญฌานที่เป็นโลกุตระ ซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุก์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเบื้อบรุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามรมบรรลุปธรรมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความตั้งอยู่แห่งจิตสัมมาสมาธิสมาธิสัมโพธิชงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสมาสมาธิ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 ผัสสะอาวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลภิกษุสงัด จ, จากการบรรลุปธรรมฌานที่เป็นสุญญาตเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทาได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศล น, นั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นมักมีองค์แปดคือสมาธิฐิและสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้น นี้เรียกว่ามรมิองค์8สภาวธรรมที่เหลือชื่อวิตสัมพยุตด้วยมรมิองค์8ปันจังคิกะวานเอกโตปุตฉาวิสัชนาในห0าร้อมีองค์5คือ 1. สมาธิฐิ 2. สองสัมมาสังกปปะ 3. สมสัมมาวายามะ 4. สสัมมาสติ 5. สัมมาสมาธิ5เอ บรรดาสภาวธรรมเหล่านั้นมักมีองค์หเป็นฉหนะภิกษุในธรรมินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงัดจากกามบรุปธรรมชาญที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเขปาก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล ภิกุสงัดจากกามบรลุปธรรมชฌานที่เป็นสุญญตะเป็นทุกขขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นมักมีองหา้าคือสัมมาทิิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่ามักมีองหา้า สภาวะธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยมักมีองค์ห้าปาติเยกับปุจฉาวิสัชนาใน5 2ารมักมีองค์ห้าคือ 1. สมาทิฏฐิ 2. สองสัมมาสังคปะ 3. สสัมมาวายามะ 4. สสัมมาสติ 5. สัมมาสมาธิ 503. บรรดามักมีองค์ห้านั้นสมาทิฏฐิเป็นไฉไหน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 ภิกษุสงัดจากกรมบรรลุปธรรมฌานที่เป็นสุญญตะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะเดชธรรมได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระขุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิธรรมะวิจยาสามโพธชง อันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสัมาทิฏฐิสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสมาธิฏฐิสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสัมมาสังกัปปะสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสัมมาวายามะสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นไฉไหน พิจุในธรรมินยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรุภูมิเบื้องต้นสงัดจจากการบรุปธรรมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะอวิเขปาก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ช่วาเป็นกุศล ภิกจูสงัดจากการบรรลุปธรรมฌานที่เป็นสุญตเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาซึ่งเป็นวิบากเพราะได้ทำได้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระกุศลนั้นนั่นแหละอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นความตั้งอยู่แห่งจิตความตั้งมั่นดีความดำรงมั่นความไม่สัดสายความไม่พุ่งสร้างแห่งจิตภาวะที่จิตไม่สัดสายสมาธิ สมาทินีสมาธิพละสัมมาสมาธิสมาธิสัมโพชฌงค์อันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยสัมมาสมาธิอภิธรรมภาชนีจบ 3. ปัญหาปุจฉกะห้าร้อยสี่ อริยมรรคมีองค์แปดคือ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สองสัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจา 4. สสัมมากรรมตะ 5. สัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติ 8. สัมมาสมาธิติกะมาติกาปุจฉาทุกกะมาติกาปุจฉา5้าร้อยห้าบันดาองค์มรรคแปด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 สัมมาสังกัปปะสัมยุญด้วยสุขเวทนาองค์มรจิ7ที่สัมยุญด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมยุญด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีองค์มรแปดที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีองค์มรแปดกรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานองค์มรแปด กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสัมาสังกัปปะไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์องค์มรรคเจ็ดที่มีทั้งวิตตกและวิจารก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารก็มีที่ไม่มีทั้งวิตตกและวิจารก็มีสัมาสังกัปปะสหรคตด้วยปีติสหรคตด้วยสุขและไม่สหรคตด้วยเบิกขา องมร์เจที่สหรตด้วยปีติก็มีที่สหรตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยเบกขาก็มีองมร์แปดไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมร์และมร์เบื้องบนสามองมร์แปดไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัฏิมร์และมร์เบื้องบนสามองมร์แปดที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มี องค์มรแปดที่เป็นของเสกขบุคคลก็มีที่เป็นของอเสกขบุคคลก็มีองค์มรแปดเป็นอปปมานะองค์มรแปดมีอปปมานะเป็นอารมณ์องค์มรแปดเป็นชั้นประณีตองค์มรแปดที่มีจภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีองค์มรแปดไม่ใช่มีมรเป็นอารมณ์องค์มรแปด ที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นเหตุหรือมีมรรคเป็นอธิบดีก็มีองค์มรรคแดที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีองค์มรรคดที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีองค์มรรคแปดกล่าวไม่ได้ว่า มีอดีตธรรมเป for ็นอารมณ์มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์หรือมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์องค์มรรคแที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีองค์มรรคแมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์องค์มรรคแเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ 2. ทุกกมาติกาวิสัชนา 1. เหตุุโคจัจกกวิสัชนา507สมมาทิฏฐิเป็นเหตุองมัคเจ็7ไม่เป็นเหตุองค์มัค8มีเหตุและสัมยุญด้วยเหตุสมมาทิฏฐิเป็นเหตุและมีเหตุองมัคเจ็7กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสมาทิฏฐิเป็นเหตุและสัมยุญด้วยเหตุ องมัคเจ็ดกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุทธ์ด้วยเหตุหรือสัมปยุทธ์ด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุองมัคเจ็ดไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุสัมมาทิฏฐิกล่าวไม่ได้ว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุหรือไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุ 2. จุรันตระทุกขกวิจัชนาองค์มัค8มีปัจจัยปรุงแต่งองค์มัค8 ถูกปัจจัยปรุงแต่งองค์มรแปดเห็นไม่ได้องค์มรแปดกระทบไม่ได้องค์มรแปดไม่เป็นรูปองค์มรแปดเป็นโลกุตระองค์มรแปดจิตบางดวงรู้ได้องค์มรแปดจิตบางดวงรู้ไม่ได้3ถึง9อาสวะโคจัตชกาทิวิสัชนาองค์มรแปดไม่เป็นอาสวะองค์มรแปดไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ องค์มร๊ก8วิปยุตจากอาสวะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะหรือเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะองค์มร๊ก8กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะหรือสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะองค์มร๊ก8วิปยุตจากอาสวะองค์มร๊ก8ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ องค์มรแปไม่เป็นสังโยชน์ไม่เป็นคันถะไม่เป็นโอคะไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวรณไม่เป็นปรามาส1 0บถึงมหันตระทุกกาที่วิสัชนาองค์มรแปรับรู้อารมณ์ได้องค์มรแ8ดไม่เป็นจิตองค์มรแ8เป็นเจตสิกองค์มรแ8ดสัมปรยุทธ์ดิจิตองค์มร8ประคนกับจิต องค์มร๊ก8มีจิตเป็นสมุดฐานองค์มร๊ก8เกิดพร้อมกับจิตองค์มร๊ก8เป็นไปตามจิตองค์มร๊ก8ประคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุดฐานองค์มร๊ก8ประคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเกิดพร้อมกับจิตองค์มร๊ก8ประคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเป็นไปตามจิตองค์มร๊ก8เป็นภายนอก องค์มรแปดไม่เป็นอุปาทายรูปองค์มรแปดกรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือองค์มรแปดไม่เป็นอุปาทานไม่เป็นกิเลส 13. บสามปิติทุกขวิจัชนาองค์มรแปดไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัติมักและมรเบื้องบนสองค์มรแปดไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักและมร เบื้องบนสามสำมาสังกปะไม่มีวิตกองค์มรจิตที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีสัมมาสังกปะมีวิจารณองค์มรจิตที่มีวิจารณก็มีที่ไม่มีวิจารณ์ก็มีสัมมาสังกปะมีปีติองค์มรจิตที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีสัมมาสังกปะสวรคตได้ปีติ องค์มรรคเจ็ดที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีสัมมาสังกัปปะสหรคตด้วยสุของค์มรรคเจ็ที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มีสัมมาสังกัปปะไม่สหรคตด้วยอุเบกขาองค์มรรคเจ็ดที่สหรคตด้วยเบกขาก็มีที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มี องมร๘ไม่เป็นกามาวจรองค์มร๘ไม่เป็นรูปาวจรองค์มร8ไม่เป็นอะรูปาวจรองค์มร๘ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์องค์มร8ที่เป็นเหตุนําออกจากวัฏทุกข์ก็มีที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัฏทุกข์ก็มีองค์มร๘ที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มี อง์มักแปดไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าองค์มักแปดไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ปัญหาปุจฉะจบมักควิพังจบบริบู